2.3 สิทธิ์กับอาจารย์พศ300วงเล็บเปิด20กันยายน2550ในวงเล็บ 1. จุดจุดนาที24วงเล็บปิดเคยมีพระองค์หนึ่งอยู่กับครูบาอาจารย์ตั้งแต่พศ300ครูบาอาจารย์สอนมาฝังอกฝังใจจำมาได้จนวันนี้ตอนนั้นพระท่านยังหนุ่มๆอยู่กับอาจารย์ในป่าอยู่อินเดียนี่แหละอยู่กันสององค์อาจารย์กับลูกศิษย์ อาจารย์ท่านเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งผิวหนังตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าโรคอะไรไปหาหมอชีวกก็คงไม่ได้นะตายไปนานแล้วอยู่ในป่าหาใบไม้หาอะไรมาพอกก็ไม่หายมะเร็งกินลึกๆ ล, ลงไปถึงกระดูกเลยถ้าเป็นคนธรรมดาคงตายก่อนแล้ว นี่ท่านทรงอภิญญาทรงอภิญญาท่านก็ยังอยู่ของท่านได้ลูกศิษย์รักษาอาจารย์ไม่ได้รู้ว่าอาจารย์จะตายร้องไห้อาจารย์ก็ปลอบนะแทนที่คนดีจะปลอบคนป่วยนี่คนป่วยปลอบคนดีบอกเครื่องหมายคำพูดเปิดจะเศร้าโศกเสียใจทําไมกายของเรากระสับกระส่ายแต่จิตเราไม่กระสับกระส่ายเลยปิดเครื่องหมายคำพูดประโยคนี้ฝังลึกลงในใจกายนี้กระสับกระสายาธาตุขันนี้กระสับกระสาย แต่จิต ท, ที่พ้นจากธาตุจากขันไม่กระสับกระสายรู้นะว่าปลายทางจะมาตรงนี้ฝังใจไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาภาวนาจะไม่คิดเลยนะว่าจะภาวนาอย่างไรจึงจะข้ามพ้นเวทนาได้ทำอย่างไรนั่งแล้วจะไม่ปวดไม่เมื่อยไม่มีความคิดอย่างนี้เจือปนอยู่ตลอดสายของการปฏิบัติเลยเพราะขันก็เป็นขันขันก็เป็นทุกขันก็กระสับกระสายจิต ท, ที่พ้นจากขันตัาหากไม่กระสับกระสาย สิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วฟังด้วยใจที่เปิดรับนี่มันฝังเข้ามาสมัยใหม่คงบอกว่าฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกที่จริงคือเก็บไว้ในภวังคจิตสะสมเอาไว้ทนทนนะบางทียากเกินไปที่ต้องสอนยากๆหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเขาสอนกันที่ง่ายๆฟังซีดีนะมีหนังสือให้อ่าน